ทำไปชา้าๆก็ได้จ้ะมาที่หลังที่แต่หลังพร้อมกันกครับคระนมมือเื่อนแทนดอกไม้ต้องกล่าวคำบูชาก่อนพิธีดังอืน่นเราไม่ใช่ดอกไม้เราก็ต้องกล่าวคำบูชา นี่ดอกไม้ยี่ปัวไปซื้อมาเหมนไม่ถูกต้องลูกหลานก็นหลงเที่ยวทางเบิร์งหึงหลายมันสิคําม่อตะปัวมกว่ามันสิซ า, าคําท้างอยากบพัวกว่าไปวัดเดี่ยวดอกไม้ทุกเทียนดอกไม้ทุกเทียนคนหนึงไปหอดวัดคนหนึงจังหาดอกไม้ทุกเทียนอยูน่นั่นละัวากว่าซาเวลาอีกแทนที่จะไป พันธิพาณโดยตรงกั บ, กบไปหาเที่ยวทั้งนั่นไปทั้งนี่ง้อไปง้อมา น, นติดตรงมาวัดง้อไปปุ่นง้อไปพี่นั่นว่าขั้วกว่า <c oughs> เอาคำบูชาพร้อมพอมรอๆกันยังดังๆเอเมนาสกา นังเกวาราปะริุณังปาริสุทังพระมาจดาเรียงปากาเสสิตมาหังปาาวันตังอภิปูชะยามิตามาหังภากาวันตังเศลสฐา มีปัย า, าติงอาณาติโต้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมโมมีมาร า, า, านังอาณาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ กัมมาาะไดยาโดกัมมะโยนิกกัมมะรันโดกัมมะบาเยสาราตัวมีคำเป็นของของตนมีคมเป็นผู้ไม่ผ่อนมีคมเป็นเด่นเกิดมีคมเป็นผู้ติดตามมีคมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังการิสาเมกัเนยัยนังวาปาปะกังวา ดังล้ น้มโมราชิกาน้ำกายกอโมตังน้ำโมเอวะมายังเมกายุกายของเราในอย่างนี้โหตังปารตาลาเมืองคนแต่เพื้นเา้าขึ้นมาอาตัวเกสามัทธ า, าเมือ อาชาปาริยันโตีมนังหุมอยู่เป็นเทศรพูรลนานกปการัสสุจินโอเตมไรด้วยของไม่สะอาดมีปกานต่างต่าง I got a. วนอขอให้สาทาังยอย่าได้มีเวรเจกันและกันเลยยองเป็นผู้ดำรงเจ็บอยู่เป็นศกุกเถิดการสั้งปุญญ์ยังพารังไม่ห่างสัพเพพาเจวันตุเตขอให้สาทังไาย จงได้สเสวยผลบุญเห้ผัวกาเปจ่าได้เป็นด้วยกายและวาดาใจาแล้วนั้นเนองใช่จุดใจยกมุ่งคุณคาถาหน่วยให้อารมณ์ภา락ที่นี่ให้เกิดความสุขคนเพริน <c oughs> โมตัสสัมบัณวาโตอาระะโตสมมาสมุทัสสะนามโมตัสสะะตะวโต นางกะามธมังสารนางกรชามสังฆสารนางกระามีดวงทียัมพีพุทธังสรนางกชามีดวยัมพีธรรมังสรนางกชามีดวยัมพีสังฆสรนางกชาม อาตีอัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิอาตีอัมิธรรมังสรนังกัจฉามิอาตีอมิสังกังสรนังกัจฉามินาทิเมทรรังอันยังวุตโเมสะรังวรานเอเดนะสัจวัตเจนะส เทโหตุสะะดานาติเมสรนังอัญญังตัมโมเมสระังวารังเอเสาาวจเจนโสินเโหตุสะะดานาติเมสระังอัญญังสัโกเมสระัง สัพพะรามิตันจาระพารกัตมิงมะนัสัมบะวายะปะริกมานังวะทังกัสวะจิติยันจาระสัมบะทังอะเวรังอะสัมปะทังเอะทันจะรังเนสโนวาสัยยาโนวายาวะตัสสิกตามิโต เอตังสัตติงทิตติยาพระมเมตทังมิหารังอิทามวะเตเนจาหุบามาสิลาวาดเสนนาสัมปนวะกรรมสุเวินยเจทังนัยชัตุกัปปะยังปุรณะติเต อปัมมะโนบทรอปมะโนธัรมโมอาปัมมะโนสังโขอามวันตานเริสัตตาเนอามิจิกาสตปะดิุณานาปสัลภูโมจิกากตเมรกากาตาเมปริตา ติเด็กมันโตขึ้ธานี่สหงนม่ปากกวาจันโมสัตว์นางสมบสมบุรธันางยันตตัยาโมเลสายานางนานทวตโนเอวังตวังวิทยโยอหิตยาตัยามังเล อาปาระติปาหลังเกสิสิปทาวิปกเรอาปิสิเตพพุทธนังอาคาปาตัวปโมตเสวนลตังุมังาลังตุบพปตังสุหิตังสวขานุสตตา สุยตังปรัมมจาริสวาปาักินังกายกรรมังวาจากรรมังปาคินังารักินังโนกรรมปนิตเตปปาคินังปรักินันิจตตวานันปเตปาักินะ ใยันตตัวปวัิยาโมเลสกายานังนันติวัตโนเอวันตวังวิจัยโยนิใจญาสูตญมังเละอปาราติทัพหลังเกสิสิบตาวิปุกเกล อาปิสเจสาปุทธานังอาขปัตโตภโมดเติสวนาคกะตังสุมังการังสุปะพะตังสุหติตังสุวานสุโหตจาสุญยตังระมฌาลิสุว ปารักินังกายกรรมังวาจากรรมังปาคัินังปารักินังมโนกรรมงปานิสิตะปารัินังปารักินางเกาตวานาวาเตคปารักินะใจอันตัวปัามูเล สัพพัานังนันติวัตโนะเวัตวังวิทยห์ยจยะชุศย์ใจมังกเรอภาาจิลังเกสิเสาวิปุรอภิเจจะปปุตตานังอากาปโตปโมรเต สวัสดิกตังสุมาการังสุปะปังตังสุหฤติังสว่างานุสุโตตจารสุจิตังพระมัจาริสวาปะรักินังกายกรรมังรัชกรรมังปะรกินัง บัดคินังมโนกรมมังปะเมตเตรปะทากินาบทดกินานิคาตวานาภัณฑะเถบัดคินิบาวตุสาบัะมังกรังราคันตุสาบะเดวะตา สัพพะพุทธานุปาเวนาสะดาสเทพีะวันตุเตปะวะตุสัพพังการังรักขันโตสัพะเดวตาสัพพธรรมานุปาเวนะสะดาสเทพีะวันตุเต บาวะโตซามังการังรักขันโตซาปะเทวตาสามกสังกานุบาเวนะอาดโสเทบาวันโตเทอืมตัวตกุนมอง การสรรเสริญวดใจยังมงคลคาถาให้พระปรมปรลากรีนให้เป็นสิริให้เป็นมงคลมีความร่มเย็นเป็นสุขว่าผ้าพลานาไมยเข้มแข็งเป็นร่มโพล่มใสของพระศกร์นกรชาวไทยนั่นคือไม้วดชยะมงคลคาถาให้เป็นสิริให้เป็นมงคลอันดับต่อไปทําบุญเพื่อพระองค์ท่านให้พระองค์ท่าน มือซ้ายวางบนตักมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆเอาสติไปดูใจไปดูลมใจอยู่ที่ลมถ้าใจสงบก็เป็นบุญใจคนมันวุ่นดูลมเข้าลมออกยกมือขึ้นใส่หัวดูลมเข้าลมออกใง้เห็นชัดๆ ตีออกยกมือใส่หัวแล้วก็กรับอื ม, อม พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญวันศีลวันพระวันหยุดโดยเฉพาะอยู่ต่างประเทศไม่เน่นหนักวันพระเราก็เน่นหนักวันหยุดโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็วันหยุดหยุดทาความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ความชั่วคืออะไรทางกายความชั่วคือปไปมอยเขาไปฆ่าเขาไปตีเขาหยุดทางกายก็มากราบนั่นมาทําดีทางวาจาไม่มีนาสกาเรนะหยุดคำความชั่วไม่ไปด่าเขาวราจาไม่ไปโกหงหกเขานั่น ใจก็หยุดทำความชั่วคืออะไรไม่นึกคิดรักไม่นึกคิดโลภไม่นึกคิดในทางโกรธนี่ตัวปกใจนะไม่รักไม่โลภไม่โกรธเห็นไหมเมื่อกี้เรารักไหมหนึ่งเห็นดังเดียวคือหนึ่งลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบุญบุญอยู่ที่ลมนั่นดูใจใจอยู่ที่ลม แต่เราเคยดูไหมนั่นเรียกว่าอาหารใจกายวาจาใจนั้นเข้าวัดให้สังรวมกายให้กาบได้ไหวทั้งรวมวาจาสวดมนต์ไหวพระไม่ต้องไปพูดเรื่องคนนั่นร่ารวยคนนี่สวยงามคนนั่นลําบากคนนั่นอุดมสมบูรณ์ร่ารวยมั่งมีสิจุบจะไปคิดจะไปพูดคิดก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดเข้าวัดอย่านําเข้ามาเรื่องของโลกอย่านําเข้ามาวัด ทำไมจะรู้เราทำบุญถ้านเเข้าวัดทำบุญแล้วก็มีสติก็มีปัญญาไปถึงวัดไปรูปบุญไปรูปเข้าใจว่าไปวัดไปทำบุญทำให้ตนเองก็คือบุญอย่างตนเฉพาะเราให้วันนี้เพื่ออุทิศให้พระบรมลากีนีให้พลังพลังของใจของประชาชนระสมนิกรมีกี่คนคิดดูคนนั้นก็มีบุญคนนี้ก็บุญถ้าเข้าใจสุดนี่นะ ที่ไม่เข้าใจก็ไปจุดทูบจุเทียนให้พระองค์ท่านนั่นนึกทางใจนึกแพรพเดียวถึงพระราชนีแล้วเห็นรูปนึนกนึกถึงแพรพเดียวพระวัคคคมนั่นหรือคนไม่เข้าใจเอาตรวจต้นน้ำให้พระราชนีจุดทูบจุเตือนให้พระราชนีนั่นถึงไม่ถูกต้องเผาบ้านเผาเมืองบางตทีจุดทูบจุเทือนให้พระราชนีโทรศับมาเอาไปโน่นไปนี่เรียกไปรับโทรศับข้างล่าง ก็กลับขึ้นมาไฟไม่ยิ่งพระแล้วนั่นเห็นไหมละ่ะไปใช่แต่ไฟนั่นะทำบุญคือทำให้จิตนิ่งใจสงบสุขื่นยิ่งกลัวคมสงบไม่มีให้เน้นหนักจุดนี้ไปวัดวั ด, วดนะไม่ใช่ไปบ้านนะไม่มีสัจจะเลยวันนี้เราจะไปทำบุญที่วัดเราจะไม่พูดเรื่องของโลกไม่นาไปพูดในวัดอย่าพูดก็เรื่องศีลเรื่องธรรมพุทโธธรมโมสังฆเ่ ลบหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกมีความสุขอ่ น, นเข้าใจไหมสุขอื่นเจี่งกลัวกมสงบไม่มีหรือคนไม่เข้าวัดทําแบบนี้ส่วนหนาก็ไปทําแบบเิเลตไปตําหนิคนนุน่นไปตําหนิคนนีน้ไปดขนนนูของทานคนนุ่ น, อ น, อ น, นของทานคนนี้ตําหนิอยู่นู่นไปส่งไปแล้วของทานของร่างกายเห็นไหมข้าน้าโพชตาหารเต็มไปหมดพระเป็นหมืน่นก็่ชั้นไม่หมด แต่ไปชอบนั่นเพราะอะไรหรอเพราะใจมันไปชอบอมิษฐบูชามันเห็นเวตาลเนื้อนั่นตาลเนื้อนรืตาโโลอรมนะหรบางคนไม่เข้าใจฉันหิวถ้าคิดล่ะล่ะนะเม้ น, น, นฉันจะเกิดความโลภนั่นเห็นไหมละ่ะโลภไหมละ่ะเห็นของแ ย, แย่ๆหรอหนี่ตาลเนื้อเห็นไหมเห็นเขาร่ํารวยก็รักเห็นเขาร่ารวยก็อยากได้เกิดความโลภเห็นเขาสวยงามเกิดความรักบาปไหมละ่ะ อยากรักอยากโลกเกิดความอยากขึ้นแล้วมันไม่ถูกต้อง น, นันี่เพราะท่านอยากรู้จุดนี้คือทําบุญเห็นไหมเมื่อกี้นี่หนึ่งนาทีเห็นไหมสบายไหมนี่คนว่าคนเข้าวัดไม่เข้าใจคาว่าทําบุญเป็นแย่งกันใส่บาตรแย่งกันถวายของนี่เพราะเราไม่ทําบุญไม่เห็นความสุข ว่ามันมาจากไหนความสุขทุกมาจากไหนมีเหตุจะก่อนสุขเพราะเราทําให้มีความสุขฟุกเพราะเราคิดให้เรื่องทุกขเรื่องโลกโกอดคิดไปคิดมาไปป้นเขาฆ่าเขาอิจฉาลิษยานั่นคิดในทางไม่ดีถ้าไม่มีปัญญานะไม่เข้าใจเขาวัดห้ามพวกดําลินั่นอะอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคําพูดอยากให้เข้าใจเรื่องว่าไปวัดทำบุญให้ดูนี่ไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อ คนเราชอบยุ่งเห็นไหมอาหารกายยุ่งไปเตรีย ม, มแต่บางคนเตรียมแต่เมื่อวานนี่มาถึงเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงพระพูดอะไรไปยุ่งแต่เรื่องปากเรื่งท้องไม่ใช่มักผลอยู่ในปากในท้องทาไมไปยุ่งแต่เรื่องชอบยุ่งนันอไอ้ไรยินไหมคำของคนเราคนเราชอบยุ่งหลงพ่อเปี๊ยอันตรับ <laughs> uh, to, to do to do good to do to get merit for y o u r s e r v i e to uh, come and meditate that's the food for the h o a g h to to uh, to offer the food uh, if you offer it with a with your good intention uh, and you You can, uh, you can, you are uh, living properly, uh, legally. Then yeah. your, y o u offer is uh, good. <laughs> so, okay. e h e l o can't complain now. Talk, eat, talk, pray, talk, eat. Make do, eat, eat, eat. พยายา o ที่จะเก็บจิตใจอาหารอาหารเพื่อให้ชีวิตจิตใจคุณรู้ไหมให้มันสงบใจอาหา m ใจลมหายใจสอารใจไม่ได้ซื้อใ f อาหารของลมหายใจในและออกต the time ใจอยู่ที่ลมถ้าไม่มีลมใจคนนี้แล้ว อย u างไม่ใช in ดินวิ t h เรียนถ้าเข้าวัดไปดูจุดนี้แล้วเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเป็นแนวทางที่ดีส่วนมากพีไปพูดเรื่องร่ารวยเรื่องสวยงามเป็นบบท o t h ี learning about uh, learning about Getting richer, it s t r a i g h toward t the doing something bad, you know, Even though it's uh, it's the way of the world, but mostly. You go back to go astray. Go back to o the house l and n e o it. c o it. Be mindful of your breath because the breath is with you all the time. ต i g h t ้ o t h จะ is to ู้ท e you everything. ตัว s ี้มีแ l ้ e ัญ e า r o b l e m It is the breath in สมาธิปัญญา e n t นต t ว o ัญญาเนี That's it. า i s <imitates> าส m าธิ e นเร o m ม o มี e ม t r a ไม่ n We don't have อ o n c e n t ม a t บ o n so w h า t i ัง i า d เ m i ย s ว่าปัญ e า t i n สังขารคือเครื่องปรุงแตง่งมันปรุงแต่งในใจในรักโลภโกรธหลงวิ่งตามเขาไปหาวิธีหาไม่ได้ไปปน้นเขาฆ่าเขาผมขืนเขาเห็นไหมล่ะว่าเราไม่ทําจุดนี้นก็เลยไม่มีปัญญาอา่ะนโมวความกันได้ทานกันหรืยอยังล่ะก็ไหนทังไม่ได้รวมดอกไม้ให้พระรากินีนี่ไหม จะได้การาบคำถวายแล้วถ้าคอแล้วอ น, น, นี่เป็นนี้เป็นวันแม่ลูกคนก็มีแม่อยู่แล้วได้ทำให้แล้วได้ของทั้งนอกด้วยของทั้งในด้วยบุญทั้งนอกด้วยบุญทั้งในด้วยเพราะว่าหลวงพ่อจะได้จัดจะจัดไปตรงให้บุญลิธิ จงมนพระราีอยู่นิ่งๆมาวัดอยู่นิ่งๆหนไหล่ะข้างหลังนั่งๆกายนิ่งๆอยู่นิ่งๆมีความสุขถ้าใจนิ่งกายนิ่งมีความสุข ไม่เอาไปไหนหลวงพ่อเอาไปให้ปราบลปรปลากินีไปช่วยเหลือคนพิการพวกตาบอดพวกหูหนวกพวกฝาแฝดพวกอะไรสาตัดต่างๆนานานั่นะพระองค์ถึงจะเป็นพระเจ้าเปยนดีมก็ไปพิมพ์เอาเองมาใช่ไม่ได้นะต้องได้จากประชาชนพระสุฆนิกรพระองค์ท่า น, น บูชาผู้นูปการบูชาบู้ชนิยานังบูชาผู้ที่ควรบูชาใ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ป็นบูชาบูชาจากรูชนียานังเอตัมมังสังมุตตัมมั ง, มงอา้าหมดกันแล้วใช่ไหม อน้ามอาถือไว้ทาง น, นั่นะคนถือน้าโม พ, พร้มพอมๆกันโอ้ร้านน้อยก็ได้ใส่พานไม่ยังล่ะส อ, อ, องพองันอ่เอาอาหน้าโมพร้อมๆกัน n w a sam t o a r a ato, h o namo dasa p a namo dasa pakawato a สุทินนางวัตเมธานางภานังเมปริสุทธังอสาวะพยาวะหังโอตูพวกข้าประเจ้าอินดีให้ทานของทาน จากัวข <simplesmente S 2> ้าพระเจ้าได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ขอพระคุณเจ้าจงรับของทานจากัวข้าพระเจ้ามีจตุปัจจัยข้าน้ามโพชนะอาหารทั้งของบริวารเหล่านี้ พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแด่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ pineapple pineapple pineapple pineapple pineapple pineapple pineapple ่งป evet nah ิดามดาปู่เจ้าตาใจพุทธิดาสามีภรรยาผู้ล่วงรับไปแล้วจงทราบด้วยญาณนวิธีอนุโมทนาของบุญกุศลดาผู้ฆ่าพระเจ้าแล้วจงไป สู่สุคติตลอดทั้งพวกข้าพเจ้าตลอดทั้งพระบรมบราชาภินากก็จง ม, แ ม, มจีแต่ความสุขความเจริญหายจากทุกโศกโลกภัย อ, อยู่เป็นร่โมโพลมใสแช่พระศุกร์นิกรทั่วกาละนานเดิน สนาธนานุมาตั้งใจอ็ทิดจะใัยพร้ะลึลกในใจไม่ต้องใช้น้ำทะลึลกในใจผ่านก็บ้างข้างบนก็ได้ มโยมยังไม่ได้ขอขมาตัวขอขมาตกนขอขมาอความเเลยเพื่อไม่ได้อไก้ตาขอความเปนเยะครอาพ่อพลูกหลานของฉันเลยนั่นแหะขันดอกไม้หลวงขันดีละขอเป็น นะโมพ้ัสสะปะทาปะโตอะราหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมัสสะปะะโตอะรหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมัสสะะะโตอะรหะโตสมมาสมุทัสสะ เทเรปามาเดนะดา t รัตายะนะตะตังชาปังอาปังทุนุพันเตเทเรปมาเดนะดารัตายะนะตตังังอาปังทุนุพันเตเทเรปมาเนะดา สัพพัญธัมภะทุโมพันติเอาวางพานิตรงนั้นหมอบลงอหังขมามิตยานิปิเมคมิตตบังเอวังหูตุเอวังหูตุโยจับปุเปยจะประมมะจิตวาปัตตาโรนะปัมมะจติโตมังโลกังปภาเสติอภาคุโตวันฉติมา ยัตถะปังกตังกัมมังกุสเลนะภะยิยะติโสมังโลกังปะปาเจติอภามุโตวะจันิมาอภิวาตนาสเลตันจังมุทธาปชายิโนจัตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุมโนโสขังภะลาควรจะจวมตลอดทั้งพระเจ้าประสง์สมมาคารวะหลวงปู่หลวงพ่อในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมทั้งสองทางทั้งสองฝ่าย ให้อาหยวอภัยให้กันต่กันแล้วก็จงมีแต่ความสุขควจเจริญเจริญในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในพบชาตินี่เธอนะตั้งใจรับพรเลยทีนี้ยะต า, าวาริวาปุราปาริปุเรนติสากะลัง เอว่าเมยไว้โตทิ่นนังเปโตานังอุปกปติชิตตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมีิาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยาามณีโชติราโสยาาสัพพิิโยวิวัชานตุสัพปโรอโคเวนันสัตุมะแตปะวตวันตารายโสุจิต ท่วานทานาสิเรตสันิจัง พยยสุขังภารังเทเรอโยจาวันโนจปกังวติจัจจสาวาสสวาส aja โยจเดวสินเดววันโุเดภวะตาปมังคารังรักันโตซาปะเทวดา ตาปะาโนภาเวนาสตาโสเทภาวันตุเตมภาวะตุสัพพมาการังรักขันตุสัพพเดวตาาปะทามานุภาเวนาสาโส เทปาวันตุเตปาวันโตซาปามังยารางรักขันโตราปะเทวตาซาปะสังกาโนปาเวนนสซาทาโซเตปาวันตุเตะร่างพร้อมกัน สัมมาสัมพุทโธภะคะวุังภะคะวันตังอะภิวาเทนสวะาโตภะคะวะตาัมโมธมะมัสสิสุะิปโนภะคะวะโตสัวะสสังโฆสังฆัง กาบสามคั้งก็ไปเตรียมจานข้าวใส่บาทต้องเลี้ยงจากนี่วนในนี่หมดรันไหมลห่ะ